จ, จบแล้วก็ฟังทาต่อในเรื่องที่จะพูดมากมา ย, ยเป็นการเสริมสร้างตกแต่งชีวิตของพวกเราอาศัยพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นเรื่องของพวกเราคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของพวกเรา เรื่องของคนเราก็คือกายกับใจทุกคนก็มีกายกับใจถ้ากายกับใจไม่ประดับด้วยพระธรรมคาสอนไม่นํามาปรากอบมาติดมาต่อมันก็เป็นพิษเป็นภยัยเป็นโทษทําให้เราหลงได้ความหลงเรื่องกายเรื่องใจเนี่ไม่ใช่เล็กน้อยนะ มาไปถึงนรกเปรตชุรกายในกระชานเป็นภูมิที่ต่บเราจะปล่อยปะละเลยไม่ได้จึงจำเป็นมากๆและเป็นเรื่องที่รีบตรวจชีวิตของเราก็มาถึงปุนนี่แล้วเราอยู่ในสภาพใดควรจะเป็นอย่างไรและไม่ควรจะเป็นอย่างไร ก็ดูแลตัวเองให้ ด, ดีจะต้องหลงเหยู่ดด้านไหนจะต้องทุกอยู่จะต้องอปรุงปรกแต่งบางทีมันก็ใช่ไม่ได้การที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอบโคตรอืกก่นวัตถุอื่นสิ่งอื่นด้วยปีนี้พรรษาปีนี้สองพันห้ารอยสี่สิบหกวันนี้แหละ เป็นวันรบรอกโอกาสดีนาทีทองอถึงพวกเราอีกเราก็มีชีวิตทำดีได้เราคงชั่วได้ถ้าจะเปรียบกับม้นวเผือกหัวะมันที่ฝังอยู่ในดินวันเดือนปีผ่านไปเท่าไหร่หัวะเผือกหัวะมันก็จเจริญเติบโตสร้างตวัวเอง ชาวบ้านปลูกตน้ตอนอ้อยต้นอ้อยก็งามขึ้นจากสอกเป็นสองสอกสามสอกสี่สอกห้าสอก ง, งามที่สุดก็เป็นประโยชน์แก่ชาวไร่ชาวสวนชีวิตเราอะไรเล่าที่มันเป็นประโยชน์ต่อเรานะหรือว่ามันไม่แต่โทษแต่ภยัยเจ้าหนี้ไม่คอรปล่อยปานั่นเลยตอนนี้ใะในการศาึกษาในการปฏิบัติ เราก็ไม่ใช่ตัวเราคนเดียวเดียวดายเราก็มีเพืือนมีมิตรมีวัดว่าอรามมีพระสงฆ์องค์เจ้ามีวิธีที่เป็นรูปแบบในการปฏิบัติเป็นตัวเป็นตนโดยเพราะพระธรรมเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยสัมผัสได้ไม่ไกลตัวเราเออกมาไว้ที่กายเรามาว้ายที่จิตใจเราเป็นสิ่งที่สัมผัสได้และเราไปสัมผัสกับอะไร ใจเราไปต่อเอาอะไรวันหน่งกายเราไปต่อเอาอะไรวันหนึ่นให้หันลองลองมาดูให้ <c oughs> หันหน้ามาตรงตรทางนี้ดูกรูดสุดตัวรูดสุดตัวมาจุ่มให้มันติดไปฮนะมันติดได้กิเลสตัณหาเมื่ก็ติดได้ความทุกข์มื่ก็ติดได้แต่ความไม่ทุกข์มันก็ติดได้คนคนดไดแต่ชีวิ ต, ดดตเราเนี่ยให้ความเป็เนธรรมแต่ธรรมแค่ไหนเทียงไร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 การถือเฉยๆอาจจะไม่ถึงมันเราถือห่อข้าวอาจจะไม่ได้หยิบสักทีแ่ะถือยาอาจจะไม่ได้กินโลภ ก, ก็ไม่หายต้องถึงต้องกินลงไปต้องดื่มลงไปต้องสัมผัสลงไปถ้าปัญญารักษารโลภของมันจะหายถ้าถึงเลยอเราจึงเป็นพูดถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวรู้ตัวตื่น ตัวเบิกบ่ายควมรลึกสืบความเลืกได้มันก็ไม่ยากไม่เลวิสัยที่เราจะทำได้เลยเพรารูปแบบของการปฏิบัติทไมีมากมายเขาไปไกลแล้วเขาเจริญกันแล้วทั่วนื้นโลกเขาเจริญกันแล้วหรือวัดพัฒนากันไปไกลแล้วการปรียาศาสตร์กันอะไรเขาคดขั้วไปเรื่อย ด้ววันนี้เขาผ่าตัดเขายกหัวใจออกไปไว้ข้างนอกว่าผ่าตัดเสร็จแล้วยกหัวใจมาต่อไว้มันเลยต่อไปก็จะสร้างคนได้โดยที่ไม่ต้องให้เป็นธรรมชาติสร้างเราจะสร้างโดยพยาศัตร์อันนี้ก็ับคนเราเรื่องเลยเนะาะแม้ว่าชีวิตของเราเนี่ยเราจะมา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 ความไม่โกรธเป็นธรรมอันเนี่ยมันพัฒนาเราไปใกลแล้วไปถึงโลกของอ่ความไม่เมตไพรโลกไม่เมไตไพรก็เรียกว่าโลกแห่งพระเรียเจ้าอย่าไปมอบ ใ, ใครๆความเป็นพระความเป็นพ้นจากใครเป็นเป็นเรื่องของเราโดยตรงเราจะไปให้คนโด ย, โดย ของพ่อนั่นคนนั่นบรรลุธรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอันนั้นนันมันไม่ใช่เราเป็นเรื่องของเราด้วยเช่นวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมาจากกัปปวัตนสูตรนะเรื่องทางก็ให้เป็นเรื่องของเราไม่เป็นคําสอนไม่เป็นการพูดเอามาเป็นของจริง อกาเป็นของเก่งเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เช่นสติเนี่ยไม่ใช่อยู่ในตำราเ็เรื่องของเป็นเรื่องสิ่งที่เราสัมผัสไดไ้รู้สึตัวรูปสึตัวเอทางมัทิีมาปฏิบัทาเรียกว่าหนทางของชีวิตเรา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 เป็นผู้ร้อนเป็นผู้หนาวเป็นผู้สุกเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้หลงมันก็ก็หลงทางไปแล้ถ้าเห็นแล้วอยู่ในทางเป็นกลางเป็นธรรม okay. เราจะมาสร้างความรู้สึกตัวเพื่อ ด, เอดูเพื่อให้เกิดภาวะที่ดูที่เห็นถ้าเราไม่สร้างตัวองมันก็ไม่เกิดภาวะที่ดูที่เห็นมันจะเข้าไปเป็น เมเรามีตาถ้าเราไม่ลืนมันก็อยู่ในมืดอยู่ในความมืดถ้าเราลื่ันก็เห็นจะใช่อะไรใช่สำเร็จประโยชน์เดินจากกติเดินจากที่พักผอนหลับนอนมาทําวัดศาลาหน้าเดินจากที่พักผอนหลับนอนไปทําวัดที่ศาลาหอใจเดินจากศาลาหอใจไปที่พักผอนหลับนอนด้วยตาไปได้สำเร็จ ถึงจุดหมายปลายทางทางของชีวิตจิตใจของเราตาภายในลงตาภายในคือความรู้สึกตัวนั้นนำไปสู่จุดหมายปลายทางความไม่เป็นอะไรกับอะไรทั้งหมดไม่ได้เห็นสิ่งที่เห็นเนี่ปฏิเสธไม่ได้เรื่องของกายเรื่องของใจมีมากมายแปดหมื่นสี่พันเรื่องเรื่องของใจเนี่ยสํามรับความชังมันก็เกิดอยู่ที่ใจ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 บางคนเขาก็ออกมพูดว่าเขาผ่านเขาผ่านหลักสูตรมาเยอะในการศึกษาที่ปรับมาเรื่อยๆเขาผ่านหลักสูตรมาเยอะได้ผลเรียนมาเยอะได้ใช่มาเยอะพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงหลักสูตรเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้หลงหลักสูตรเขาก็อยู่ในความเป็นกลาง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 แต่ถ้าเราเป็นเรามันก็โง่ต่อไปเลยละความหลงก็กลายเป็นความหลงไปเลยความทุกข์ก็กลายเป็นความทุกข์ไปเรื่อยความโกรธก็ต่อเอาความโกรธไปเรื่อยเรื่อยบางทีต้องเป็นจริญนิสัยไปเลยแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะเห็นมันหลงมันเพื่อที่จะไม่หลงเป็นปัญญาความหลงแท้ๆทาให้เรามีปัญญาถ้าเรามีสตินะ ถ้าความหลงต่อความหลงก็เป็นบวกกันเขาเป็นดับเบิ้ลหลงไปเรื่อยๆไปถ้าเรามีความรู้จึกตัวมีตัวรู้เป็นหลักมันเรามีตาดูวอะไรที่ผ่านมาเราเห็นแต่เห็นงูงูก็ไม่ได้กัดเราแต่เห็นน้ําเราก็ไม่ได้เหยียบน้าเห็นรถปิ้งมาเราก็หลบตาเพราะเราเห็นตาในนี่มันมันเป็นทิป่ะมันเป็นของทิปตาเนื้อไม่ใช่ของทิปเป็นตาเนื้อเป็นตาที่ ใช่ให้สําเร็จประโยชน์แต่ใช่เป็นนะแต่ใช่ไม่เป็นก็เป็นโทษเหมือนกันไปให้โลกไปยินดียินไล่ก็มีไปรักไปจังก็ไม่แต่ว่าถ้าเราไม่สติเข้าไปควบคุมเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตของเราเร า, เราจะมีความถุกมากมายเราจะมาซาตานในกันอาศัยหม่อาศัยมิตรอาศัยการยานมิตรอาศัยสิ่งแวดลอ้อมนะ มอสง์ที่สุกโตแล้วก็ขนขวยและเทีกันพอสมควรไม่ได้อยู่นน่งก็เผื่อว่าพอที่จะเป็นสิ่งเวดลอมสำหรับผู้สนใจในการปฏิบัติก็มีความมั่นใจพอสมควรแล้วก็ไม่ถึงกับติดตัดขัดเครืองปืดเคืองพุ่มพวยเกินไป มันมีส่วนไหนที่ทำให้เราหลงสิ่งที่ทำให้หลงพยายามที่จะไม่ให้มีแม้มีก็ไม่ได้เหตุนามันก็ยังมีไปเรื่อยๆนะนั่นเราก็ต้องศึกษามามารับออกมาเป็นมิตรเป็นเพื่อนพูกันตอนเช้าตอนเย็นรูปแบบ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 แล้วก็เหยียบลงไปบนดินก็เหยียบได้เคลื่อนไหวไปได้ไม่ได้เหยียบบนอากาศแล้วก็ไปถึงสําเร็จทุกข้าวสาเร็จทุกข้าวอย่าไปมองไกลเอาตั้งแต่ข้าว ห, หรือลู่เป็นข้างเป็นข้างจากลูน้น้อยๆมันก็ต่อไปเป็นยา่าวเป็นมากได้พอปฏิบัติพอศึกษาอย่าไปคิดว่าอ่าจะลู่อันนั้นจะลู่อันนี้าวาดพโนภาพ ใช่สมองใช่เหตุใช่ผลไม่ใช่นะตัวปฏิบัติเป็นตัวกระทาเป็นการกระทาเป็นกรรมเป็นกรรมฐานกรรมฐานเนี่โอ้ยคือมันเพาะที่สุดเลยเพราะว่ากรรมฐานเป็นที่ตั้งของการกระทาไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์เท่ากับกรรมฐานเพราะกรรมตัวนี้จะจาแนกไปจำแนกไป นามนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมกรรมเป็นสิ่งที่จําแนกสักเราจะมาทําต้นเหตุตรงนี้มาตั้งต้นที่ตรงนี้รู้สึกตัวรู้สึกตั ว, ร, ตวรู้สึกกายหาเรื่องที่จะรู้อยู่เสมออการที่จะสร้างความรู้อยู่เสมอเนี่ยเ้าเรียกว่าภาวนาอาจจะเป็นบุญก็เป็นบุญชั้นสูง ความกำลังคะสร้างความรู้สึกตัวเมื่อความรู้สึกตัวมันมีมันก็ความหลงกอนน้อยเอาจิงๆมันมีแต่ความรู้สึกตัวกับความหลงตัวเท่านี้เองชีวิตเราแต่ความหลงน่มันตั้งต้นจากความหลงก็ไปไกลมันกันนะไปถึงอบายภูมิแต่ตั้งต้นจากความรู้สึกตัวก็ไปไกลไปถึงมากถึงผลอ่า เมื่อกเรายือนอยู่ในทางสี่แท่เราจะไปทางไหนมีสิทธิที่จะไปทางจุดหมายปลายทางหนึ่งไปสู่วายูมิทางหนึ่งไปสู่มนุษย์สโลกทางหนึ่งไปสู่มรรคผลในผ่านทางหนึ่งไปสู่ขมโลกเราจะก้าวไปทางไหนแต่เราก็มีสิทธิจะไป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 อาบายภูมิเป็นภูมิที่ไม่เจริญเป็นภูมิที่ไม่เจริญพวกเราจึงชวนชวนมาอ่าบางทีก็เขียนชื่อเขียบแทนที่ลงในหนังสือสุคโตก็คิดว่าสามารถที่จะบอกพวกเราได้แล่าชวนมา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 มันต้นไม้ยอดไม้บางยอดเนี่ยต้องการให้มันไปมันไปไม่ได้มันดื่นลื่ไปมัก็ไม่เจริญไม่เกิดดอกออกผลความหลงกับความรู้มันแข่งกันบางทีเราให้โอกาสแก่ความรู้ม่าให้โอกาสแก่ธรรมไม่ความเป็นธรรมเราจงทําให้สุดฝีมือทําให้สุดฝีมือการทําให้สุดฝีมือไม่ใช่อับ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 ความรู้สึกตัวมันอยู่กับบ้าน <c oughs> กับเรือนแล้วก็คนมีหลักมีแหลง่งอยู่ในบ้านของตัว อ, อยู่ในเย่าในเรือนของตัวความรู้จึกตัวนะแต่บางทีมันก็ไม่พอใจชอบโกลงชอบแต่งไยบางทีโอ้ยมันสงบอยู่ไม่ได้เพราะมันไปนติดความโม ย, มยุ่งเหยิงสอบสนวางกิจกิจที่ไป ม, มันไม่ชอบ อ, อยู่ไม่ได้เลย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 ว่านักถิฏสันติปรังสุขของสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไมไหมความสงบควาสงบจากการปรุงแต่งไม่ใช่สงบแบบไม่ได้ยินได้ฟังไม่ปรุงไม่แตงนี่ความสงกนะไม่ใช่สงบแบบนอนหลับปฏิเสธนี้เข้าดองเข า, า่าความสงบจริงๆมันอยู่ในความไม่สงบ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 โอ้โหเคยเจอจริงๆชีวิตของเราแนละ้พร้อมมีความพร้อมหรือว่ามนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์สมบัติใช้ได้ทันทีต้องการจะลู้ก็ลู้ได้ทันทีแต่ความหลงไม่ต้องการ <c oughs> มันเป็นสังขารเขาขยันความหลงนะ่ะตัวความลู้ต้องต้องสรอาด มันจึงจะพอใช้อย่างชีวิตของเราพระพุทธเจา้าววัตถุแห่งความหลงตาหูจมูกลิน้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงหฤทภะอารมณ์มันเป็นวัตถุแห่งความหลงแต่ถ้าเราไม่ใช่ให้เป็นแล้มันก็พาไปหลงแต่ถ้าเราใช่เป็นก็สำเร็จปรโย์ เราใช่ตาเราใช่หูเราใช่จมูกใช่เล่้ใช่ตายใช่ใจแต่ถ้าตามันใช่เราหูมันใช่เราใจมันใช่เราเราก็ต้องตกเป็นทาสเหมือนเสือกบปาต้องหาเหยื่อให้มันตานก็จินดาหารหูก็จินดาจมูกเลี้ยงกายใจก็จินอาต้องหาเหยื่อป้อนมันอ่าคนที่เหือก็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 ปิดปากไม่มีคําพูดถ้าพูดอะไรก็เป็นสมมุติปัญญาธรรมะสัจจะต้องทําลงไปต้องรู้รู้เขาถ้ามีกิริยาของอาจจะเดิกน้อยทีหนึ่ยรู้เขารู้เขารู้เขามันหลงที่ไรรู้เอามันหลงเี่ไรรู้เขาอุย้ยคอใจเวลามันหลงมีความรู้ ม, ม, มันมันคล้ายมันมีฝีมือ เหมือนเราตีขื่อตีขางด้วยมือของเราด้วยตาปูด้วยค้อมของเราเราขึ้นไปนั่งได้ไี้ล้วขึ้นไปนั่งได้เลยความหลงมันรู้เนยมันมั่นใจตรงนั้นความผิดมันมีความถูกมันไม่ใจตรงนั้นความทุกข์มันมีความไม่ทุกข์มันมั่นใจตรงนั้นสมน้าหน้ามันมันแก้ทันขวัญแค่ทันทีผิดที่ได้ลบเขียนใหม่อ่ามันมั่นใจมากเราไปสอบ ข้อสอบที่เราทานเขียนแล้วทานอีกทานตั้งใจมันติดตรงไหนเขียนไหมติดตรงไหนเขียนไหมทุกตัวส่งคำตอบเฉลยปัญห า, า, าห อ, อ, อย่างมั่นใจจับปากกาสุบเดินออกจากห้องสอบด้วยความมั่นใจไม่สับสนเพราะทำการงานที่สะอาดแต่บางคนพราดพาตัวเองตอบอะไร ตัวเองเขียนยังไงเหมือนไปไปสอบอุปชาไปสอบอุปชาก็พอออกจากห้องสอบแล้วไม่พระอาจารย์สุรินข้อนั้นกนะ็าถามน่ะอาจารย์ตอบอยางไงหลวงพ่อตอบยนะโอ้ยนตอบจากนี้ยันีงตอบจากนี้ผมตอบจากนี้ โอ้ผมผิดแล้วผมผิดแล้วผมผิดแล้วเพราะผมไม่ตออ่อบจังหวะตอนนี้นนส่วนกรสอบตกกลับบ้านก่อนประกาศเพราะว่ามันตกอะแก้ไม่ได้เขาอถากถ้าตกก็ตกไปเลยซสมม้มเลยละเพราะนั้นอะไรต้องมั่นใจโดยเฉพาะความรู้สึกตัวมันเป็นคู่กับความหลงคู่ปรับกัน ชนะก็นชนะตรง น, นี้แพแ้ก็แพ้ตรงไหนเวลาใดที่มันหลงรู้สึกตัวพอดีพอดีเวลาใดที่มันทุกข์ไม่ทุกข์พอดีแล้วมรรคแล้วเวลาใดมันโกรธไม่โกรธพอดีแล้วเป็นมรรคแล้วผ่านได้ได้แล้วผ่านความหลงโดยความรู้ผ่านความทุกข์โดยความไม่ทุกข์ผ่านความโกรธโดยความไม่โกรธเรเจ้าเราจะไปไหนจะไปสวรรค์ในฟานไม่แก้ตรง น, นี้ มันจะไปได้ยังไงโซ่ไม่แจ้คญแจใหม่ใส่สิ่งเหล่านี้มันก็ปรากฏต่อหน้าต่อตาเราอยู่นชวนกันว่าทําตรงไี้มันก็เห็นจริงๆเห็นความหลงจริงๆกงารสร้างความรู้นะี่มันก็เห็นความหลงนอกจากความรู้เยอะแยะเราเห็นทั้งหมดความรู้เดียวตัดทางไปได้หรื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 มันใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์อื่นเอารอยเท้าของสัตว์อื่นมารวมลงที่รอยเท้าของชาได้ไหมแม้แต่ปฏดขีบมังโพธิการพระพุทธเจ้าใกล้จะพระพุทธผ่านองค์ก็ตัดแล้วไงโอยะธรรมะสังฆราพมาเทนะสัมปาเทถรรท่านทั้งหลายจงยั่งความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอะก็คือผมรู้สึกตัวเนีย่ยอัปปมาธาธรรม ค ว, bing, ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจนถึงที่สุดพระดวงก็อยางว่าผู้ชงก็อย่างปริกมกขงสติเงเปิดเตเปิตวาผู้มีสติเป็นนาลอดเหมือนพระขีณาศกผู้มีสติเป็นเวไนกลายเป็นเวไหนเป็นพระกีณาศกเป็นพระรหัสงสติตัวนี้ความรู้สึกตัวตัวนี้ผู้มีสติเป็นนาลอดพระขีณาศ ก, า ก, ผ, าออก ผ, ผู้มีสติเป็นเวนไนนอน เริ่มต้นจากตอนนี้พวกเราถ้าจะเป็นหัเปลือก ม, มันก็ให้ใหญ่ตรงนี้ให้มันใหญ่ให้มันโตให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อเติมไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะอ่าวันนี้ก็ได้เวลาพออพ่อศิลปแม่ศิลป์จะมาสมาทานศิล เ, เอาเอาเอาลุ่งอนหลุ่นวันใหม่อะว่ากันสมาทานกัน ไม่ยังกันเตะเลยไหว้พระเราก็ไหว้แล้ว <c oughs> รัตนาสินาผู้ใดประสงค์จะสมทานไม่ประสงค์ก็ตั้งใจอ่ทำอยู่แล้วถ้ามีสตินะก็ทำเป็นรูปแบบตามศาสนาพิธี